วันนี้เป็นวันพุธที่สิบเจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองเป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบัญญัติให้พระภิกษุทุกรูปให้อยู่กับที่ ตลอดระยะเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันนี้คือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดไปจนถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นวันที่เป็นช่วงระยะเวลาของการ พอปลูกพืชพันธุ์ต่างๆของชาวนาชาวไร่ถ้าไม่ยึดมีการอยู่จำพรรษามีการจ่ารล็กไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อบำเพ็ญเพื่อปฏิบัติธรรมก็อาจจะมีการเดินรัดทุ่งรัดนาของชาวนาชาวไร่แล้วก็จะไปเหยียบ พืชพันธุ์ต่างๆที่ชาวนาชาวไร่ได้เพาะปลูกเอาไว้สร้างความเสียหายให้แก่ชาวนาชาวไร่ชาวนาชาวไร่ที่ได้รับความเสียหายก็มาขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าให้ช่วยพิจารณา แก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านให้ด้วยหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาก็มีคำสั่งคำบัญชาให้พระภิกษุและสามนเณรอยู่กับที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนห้ามเดินทางไปไหนมาไหน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเช่นเวลามีบิดามารดาห ร, หรือคูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยจำเป็นต้องไปดูแลรักษาก็หรือมีกิจนิมนต์มีศรัทธาญาติโยมนิมนต์ไปในงานบุญต่างๆ ก็ส่งอนุญาตให้ไปได้ชั่วคราวคือไปไม่เกินเจวันเจดคืน mm hmm. ก็จะต้องกลับมาอยู่ที่เดิม mm hmm. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับชาวนาชาวไร่นี่คือเรื่องของที่มาของการอยู่จำพรรษา mm hmm. เมื่อมีการอยู่จำพรรษา ก็จะมีการศึกษามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดมีการบรรลุธรรมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องชาวพุทธเราเลยเห็นความสำคัญของการอยู่จำพรรษาพอถึงเวลา เข้าพรรษาก็าจะมีการเตรียมตัวเตรียมใจกันที่จะเข้าหาพระศาสนาอย่างจริงจังเพื่อจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้บรรลุ ถ, ถึงผล ที่เกิดจากการศึกษาจากการปฏิบัติการเข้าพรรษาจึงเรียกว่าเป็นเหมือนกับการไปโรงเรียนไปโรงเรียนเพื่อไปเรียนวิชาความรู้ทางธรรมเพื่อที่จะได้เอาวิชาความรู้ทางธรรมนี้มา <c oughs> กำจัด ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปก็จะมีการคิดที่จะศึกษาหรือปฏิบัติทำอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นใดขั้นหนึ่งตามกำลังของผู้ปฏิบัติที่จะสามารถปฏิบัติได้ บางท่านก็อยากจะบวชชั่วคราวอาจจะบวชตลอดเวลาหนึ่งพันษาเพื่อที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่จะปรากฏขึ้นมาจากการศึกษาจากการปฏิบัติก็เลยมีธรรมเนียม ที่มีจะมีการบวชพระกันในช่วงเข้าพรรษากันแล้วก็เป็นความเชื่อว่าเมื่อได้บวชแล้วจะได้ทดทดแทนพระคุณของบิดามารดาบิดามารดาจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายจะได้ไปสวรรค์หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ต้องเกิดจากการกระทำของบิดามารดาคือการบวชของลูกนี้เป็นเหมือนกับเป็นสะพานบุญให้แก่บิดามารดาเพราะว่าเวลาลูกบวชบิดามารดาก็ย่อมคิดถึงลูกห่วงใยลูก ก็จะไปเยี่ยมลูกที่บวชอยู่ที่วัดเมื่อไปวัดก็จะได้ไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปฟังเทศฟังธรรมและไปปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าลูกบวชแล้วแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมไปหาลูกไม่ได้ไปวัด ไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปปฏิบัติก็ไม่ได้ผลแต่อย่างใดจากการบวชของลูกแต่โดยความเป็นจริงความรักความผูกพันของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนี้จะเหมือนกับบังคับให้พ่อแม่ต้องไปเยี่ยมไปหาลูกที่บวชเป็นพระอยู่ในวัด พอได้ไปวัดก็ต้องไปทาบุญทำทานไปรักษาศีลไปฟังเทศฟังธรรมเนี่ยพอได้ฟังเทศฟังธรรมได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมก็จะได้บุญกุศลต่างๆที่จะเป็นเหตุที่จะดึงดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณ หลังจากที่ร่างกายได้ตายไปแล้วให้ไปสู่สวรรค์ได้ไม่ให้ไปสู่อบายเนื่องจากว่าได้มีการทำบุญทำทานมีการรักษาศีลมีการปฏิบัติธรรมนั่นเองแล้วพอได้ไปบ่อยๆได้กระทำบ่อยๆ ก็จะติดเป็นนิสัยต่อไปหลังจากที่ลูกศึกไปแล้วลาสิกขาไปแล้วพ่อแม่ก็ยังเข้าวัดต่อมีพ่อแม่หลายคนด้วยกันที่ให้ลูกมาบวชตอนที่ลูกยังไม่เคยบวชไม่เคยมาวัดเลยแต่พอหลังจากที่ลูกได้บวชแล้วพ่อแม่ก็ได้มาเยี่ยมลูกอยู่เรื่อย ก็ได้มีโอกาสได้ทาบุญได้รักษาศีลได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรม ท, ที่เป็นรถที่ประเสริฐเหนือกว่ารถทั้งหลายทั้งปวงทำให้เกิดมีความติดอกติดใจชอบมาวัดชอบมา ทำบุญชอบมารักษาศีลชอบมาปฏิบัติธรรมชอบมาฟังเทศฟังธรรมหลังจากที่ลูกศึกไปแล้วพ่อแม่กลับมาวัดอยู่อย่างต่อเนื่องตัวลูกเองนี่มักจะหายไปพอบวชเสร็จแล้วพอได้ศึกก็ไม่ค่อยจะ <c oughs> ได้กลับมาวัดเหมือนกับพ่อแม่ เพราะว่าอาจจะมีภาระในการไปก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างฐานะสร้างอะไรต่างๆตามนิ ส, สัยของผู้คองเรือนก็จะไม่ได้มาวัดเหมือนกับพ่อกับแม่พ่อแม่ที่ได้มาวัดอย่างสม่าเสมอก็จะรักษาศีล เป็นปกติรักษาศีลห้าทำบุญทำทำบุญใส่บาตรถวายอาหารถวายสังฆทานให้กับพระภิกษุสา ม, มนเณรอยู่เป็นประจำได้ฟังเทศฟังธรรมได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นเหตุที่จะพาให้ไปสวรรค์อะไรเป็นเหตุที่จะพาให้ไปอบายไปนรกก็จะ รู้จักทางสู่สวรรค์รู้จักทางสู่อบายก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการไปอบายได้แล้วก็มุ่งไปสู่ทางไปสู่สวรรค์ได้นี่แหละคืออ น, นิสงส์ผลนประโยชน์ที่พ่อแม่จะได้รับจากลูกที่มาบวชเป็นพระ แต่ต้องมาหาพระมาเยี่ยมพระมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมถ้าลูกไม่ได้บวชก็จะไม่มีเหตุที่จะบังคับให้มาวัดลูกอยู่ที่ไหนนี่พ่อแม่มักจะตามไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ ถ้าลูกไปติดคุกติดตารางก็เท่ากับพา พ, าพ่อแม่ให้ไปติดคุกติดตารางด้วยเพราะเวลาลูกติดคุกติดตารางพ่อแม่ก็ต้องไปเยี่ยมลูกต้องไปเยี่ยมลูกที่คุกที่ตารางนั่นเองเอเอนี่คือความสัมพันธ์ข้อระหว่างพ่อแม่กับลูกมีความผูกพันกันอย่างมากพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นบ่วงเลยน ตอนที่พระองค์ได้ทรงได้ยินข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราโชรสพระองค์ก็ทรงอุทานคําว่าราหุนราหุนแปลว่าบ่วงพอได้ยินว่าพระมเหสีจะคลอดลูกเท่านั้นคลอดลูกออกมาท่านั้นก็ทรงอุทานว่าราหุนว่าบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วถ้าต้องการที่จะ ใบําเพ็ญปฏิบัติธรรมก็จะต้องรีบหนีออกไปจากบ่วงนี้ทันทีถ้าอยู่ต่อไปก็จะถูกบ่วงคือลูกนี้รัดใจเอาไว้ทำให้ไม่สามารถที่จะหนีไปบวชได้พระองค์ก็เลยทรงตัดสินพระไทยในคืนนั้น ว่าจะต้องไปบวชแล้วแล้วก็ต้องหนีไปไม่บอกใครเพราะว่าถ้าไปบอกเ้าก็จะไม่ได้ไม่มีใครอนุญาตให้ไปจะมีแต่คนคอยห้ามคอยอขวางไม่ให้ไปนั่นเองเพระองค์ก็เลยต้องไปแบบเงียบๆนี่คือความผูกพันระหว่าง พ่อแม่กับลูกเพราะว่าลูกนี้ก็เป็นเหมือนอวัยวะของพ่อแม่นั่นเองออกมาจากท้องแม่ความรักความผูกพันของพ่อแม่กับลูกจึงมีมากการกระทำความดีของลูกคือการไปบวชในช่วงเข้าพรรษาจึงถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้อย่างหนึ่งคือ ถ้าไปบวชแล้วแล้วพ่อแม่ก็ไปวัดไปเยี่ยมอยู่เรื่อยๆพ่อแม่ก็จะได้มีโอกาสได้ทําบุญได้รักษาศีลได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นทางเดินสู่สวรรค์นั่นเองทางเดินออกจากอบายทางเดินออกจากนรกอันนี้ก็ถือว่า เป็นการทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดาที่ดีที่สุด <c oughs> คือช่วยให้บิดามารดาหลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายได้ <c oughs> ด้วยการเสียสละของลูกเสียสละการอ <EERING> ยู่แบบคารวะผู้คองเรือนอยู่แบบมีความสุ ข, ข ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ยอมอดงดการหาความสุขจากทางรูปเสียงกลิ่นลดเพื่อมาบวชมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ทดแทนบุญคุณของบิดามารดาที่มีพระคุณอย่างยิ่งต่อลูกๆ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระคุณของบิดามารดานี้ยิ่งใหญ่มหาศาลมากต่อให้ลูกแบกพ่อแม่บุญไหลบนบบาไปตลอดชีวิตให้ท่านอุจจาระปัสสาวะลดร่างกายของลูกเวลาที่บุมท่านอยู่บนแบกท่านอยู่บนบาบไหลบนไหลไปจนถึงวันตาย การทดแทนบุญคุณของบิดามารดาก็ยังทดแทนไม่ได้หมดแต่ถ้าสามารถทำให้บิดามารดาได้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายไดจะได้จะได้ทดแทนบุญคุณได้อย่างสิ้นเชิงการทดแทนบุญคุณแบบนี้จริงๆแล้วต้องทำแบบพระพุทธเจ้า คือทำให้พ่อแม่นี้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเพราะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วการที่จะไปเกิดอาบายในอาบายนี้จะไม่มีเป็นไปจะไม่มีเป็นไปอีกต่อไปแต่การทดแทนแบบไปบวชแล้วดึงให้พ่อแม่เข้าวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีล มาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมก็จะช่วยให้พ้นจากอบายได้ถ้าพ่อแม่กระทำปฏิบัติตามตามธรรมเหล่านี้แต่ถ้ามาเพียงแต่มาเยี่ยมลูกเพื่อมาพบมาปะมาคุยกันแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำบุญหรือมารักษาศีล มาฟังเทศฟังธรรมหรือมาปฏิบัติธรรมถึงแม้จะมาวัดก็เหมือนกลับมาไม่ถึงวัดนะถ้าแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้พ่อแม่ได้หลุดพ้นจากอบายถ้าพ่อแม่ยังดื่มสุราอยู่แล้วก็ยังดื่มต่อถ้าพ่อแม่ยังทําบาปอยู่เช่นอาจจะมีอาชีพ ทำหากินที่จะต้องทําบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพก็ไม่ได้เลิกไม่ได้มาถือศีลการมาวัดแบบนี้ก็จะช่วยพ่อแม่ไม่ได้การมาวัดที่จะช่วยให้พ่อแม่นี้พ้นจากกระบายได้พ่อแม่ต้องมารักษาศีลห้าให้ได้เพราะศีลห้านี้แหละเป็นสิ่งที่จะกีดกัน จิตใจไม่ให้เข้าสู่อบายนั่นเองลองะเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาทั้งหลายนี่และเป็นวิธีที่จะทำให้พ้นจากอบายได้ แต่ผู้ที่จะพ้นจากอบายต้องเป็นผู้ปฏิบัติรักษาศีลต่างๆเหล่านี้ให้ได้ผู้ที่จะรักษาศีลห้าได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาไม่มีการพรังเพลอก็คือพระเอรยาอรยา บ, บบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นการรักษาศีลของพระโสดาบันนี้ ต่างจากการรักษาศีลของปุถุชนการรักษาศีลของปุถุชนนี่เหมือนการรักษาศีลแบบคนตาบอดคนเดินคนเดินคนเดินไปไหนมาไหนแต่ตาบอดอาศัยศีลคือไม้เท้าเป็นสิ่งที่คอยบอกให้รู้ว่าข้างหน้านี้มีภัยมีอันตรายต่างๆ ส่วนการรักษาศีลของพระโสดาบันนี้เป็นเหมือนคนเดินไปไหนมาไหนคนตาดีที่เดินไปไหนมาไหนคือรักษาศีลด้วยปัญญาด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมพระโสดาบันนี้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นที่ไปของดวงวิญญาณของตนเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว ว่าจะไปทิศ ท, ทางไหนจะไปสวรรค์หรือจะไปอบายเพราะมีปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเห็นว่าการกระทำนี้แหละเป็นเหตุที่จะพาให้ดวงจิตดวงใจนั้นไปในทิศ ท, ทางใดทิศ ท, ทางหนึ่งไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงพระนิพพานหรือไปสู่อบายทั้งสี่ คือไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกนี่ไปด้วยการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจถ้าทำบาปนี้ก็จะไปสู่อบายถ้าละเว้นจากการทำบาปได้ก็จะไม่ไปอบายแต่คนปุถุชนอย่างพวกเหานี้ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรม เราก็เป็นเหมือนคนตาบอดโดยอาศัยการรักษาศีลที่เป็นเหมือนไม้ไม้ไม้ที่คนตาบอดใช้เคาะระหว่างที่เดินไปไหนมาไหนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าแต่ยังมองไม่เห็นด้วยตนเองอาศัยไม้ที่ถือไว้คอยบอกว่าข้างหน้ามีหลุมมีบอ่อมีอะไรกีดขวางอยู่หรือไม่นี่คือ การรักษาศีลของปุถุชนกับของพระโสดาบันของพระอริยบุคคลนี้ต่างกันพระอริยบุคคลนี้ท่านเห็นทางอย่างชัดเจนท่านเห็นป้ายที่เขาติดไว้ตามทางว่าทางนี้ไปสวรรค์ทางนี้ไปอบายแต่คนตาบอดนี้จะมองไม่เห็นป้ายไม่เห็นทางต้องอาศัยไม้เท้าคืออาศัยการรักษาศีลห้านี้ เป็นที่เป็นไม้เท้าไม้บอกทางไม้ชี้ทางว่าให้ไปในทางนี้ซึ่งถ้าบางครั้งบางเวลาถ้ามีเหตุการณ์มาทำให้เกิดความโลภเกิดความโกรธก็อาจจะไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ก็ยังมีโอกาสที่จะไป กในอบายได้อยู่แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนี้จะไม่มีวันที่จะไปทำบาปอีกต่อไปพระพุทธเจ้านี่แหละที่ได้ทดแทนบุญคุณของพุทธมารดาได้อย่างแท้จริงคือหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้ว้แล้วก็ทรงมีความปรารถนาที่จะสอนพระพุทธมารดา ก็เลยท่งเรงยานค้นหาดูว่าดวงวิญญาณของพุทธมารดาตอนนั้นประทับอยู่ที่ไหนพอท่งค้นพบก็สามารถติดต่อกับพุทธมารดาได้พอได้ติดต่อกันพระองค์ก็ได้โปรดแสดงธรรมตลอดระยะเวลาหนึ่งพันษาแสดงธรรมเพื่อโปรดพุทธมารดา จนพุทธมานดามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาหลุดพ้นจากการไปเกิดอบายอย่างสิ้นเชิงอย่างท้าวนที่คือที่มาของการตักบาตรเทโวคือหลังจากที่ได้โปรดพระพุทธมานดาอยู่ตลอดระยะเวลาหนึ่งพันษา พอถึงเวลาออกพรรษาพระองค์ก็เสด็จออกจากสวรรค์ลงมาสู่โลกโดยลงมาทางบันไดทิพย์บันไดทิพย์ที่เราสร้างบันไดาตามวัดที่มีมีเขาเราก็สร้างพระมณฑบไว้บนเขาเหมือนที่ปฏิสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าแล้วพอวันออกพรรษา ก็จะมีพระสงฆ์องค์เจ้าเดินตามพระพุทธรูปมีการนำพระพุทธรูปเป็นองค์สมมุติของพระพุทธเจ้าเดินลงมาจากสวรรค์เดินลงมาจากพระมนดบลงมาตามขั้นบันไดแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมมารอกันอยู่ที่เชิงบันไดเพื่อใส่บาตรตักบาตรเทโว่กัน น, นี่คือที่มาของพิธีตักบาตรเทโวคือการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงขึ้นไปโปรดพุทธมารดาอยู่สามเดือนด้วยกันพอถึงวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกจากโลกจากสวรรค์ลงมาสู่มนุษยสโลกมารับบาตรจากศรัทธาญาติโยม สตาญาณโยมก็มีความเชื่อว่าการได้ใส่บาตรในวันตักบาตรเทวานจะได้บุญมากเพราะเป็นวันที่มรับเสด็จพระพุทธเจ้ากลับจากสวรรค์แต่ความเป็นจริงนั้นผู้ที่ไปสวรรค์นั้นไม่ได้เป็นพระสารีระร่างกายของพระพุทธเจ้าผู้ที่ไปสวรรค์ไปโปรดพุทธมันดาคือ พระไถยของพระพุทธเจ้าที่สรงไปด้วยการเข้าไปในสมาธินั่นเองเวลาที่พระองค์ทรงแสดงทำให้กาเทวดาพระองค์จะเข้าไปในสมาธิเข้าไปในขั้นอุปจาระสมาธิแล้วพระองค์ก็จะสามารถติดต่อกับเทวดาได้แสดงธรรมโปรดเทวดาได้ซึ่งเป็นกิจที่พระพุทธเจ้าได้สรงบำเพ็ญ ทุกคืนไม่ใช่แต่ช่วงที่เข้าพรรษาเท่านั้นพระพุทธเจ้านี้มีพุทธกิจอยู่ห้าข้อด้วยกันที่ได้ทรงบำเพ็ญเป็นกิจประจำวันก็คือกิจสั่งสอนพุทธบอยสัตว์นี่เองเช่นตอนบ่ายก็สั่งสอนแสดงทำให้แกศรัทธายาติโยมผู้คลองเรือน ยามค่ำก็แสดงทำให้แก่ภิกษุภิกษุนี้สมมาเส ม, มาเณรสามเณรเยามดึกก็แสดงทำให้แก่เทวดายามเช้าก่อนที่จะทรงออกบิณฑบาตก็ท่งเลงยานดูว่าจะไปแสดงธรรมโปรดใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นพอรูแล้วก็ส่งเสด็จออกบิณทบาต นี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญหลังจากที่ได้ส่งตัดสรูปหลังจากที่ได้ส่งประกาศพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาแล้วคือเมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าก็ดำเนินพุทธกิจนี้อย่างสม่ำเสมอก็มีอยู่พรรษาหนึ่งที่พระองค์ได้ส่งเล็งไปโปรดพุทธมารดา ก็ในช่วงที่ทรงแสดงทําให้แก่เทวดาในยามเด็กนั่นเองเป็นการไปทางกระแสจิตไม่ได้เป็นการเหาะร่างกายขึ้นไปสู่สวรรค์เพราะว่าร่างกายโลกของร่างกายนี้ไม่มีสวรรค์ต่อให้นั่งจรวดขี่จรวดออกไปจากโลกนี้ไปก็จะไปเจอแต่ดวงดาวต่างๆเท่านั้น จะไม่มีการไปพบกับสวรรค์ชั้นต่างๆเพราะเรื่องของสวรรค์นี้เป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายผู้ที่จะไปสวรรค์ต้องทำจิตใจให้เป็นสวรรค์ขึ้นมาผู้ที่จะติดตาติดต่อกับเทวดาทั้งหลายก็ต้องสร้างพลังจิตขึ้นมาในระดับอุปจาระสมาธิ ถ้ามีอุปจาระสมาธิก็จะสามารถที่จะติดต่อสนทนาหรือแสดงธรรมให้แก่เทวดาได้นี่คือเรื่องของการทดแทนบุญคุณของบิดามานดาที่มีพระคุณต่อลูกเป็นอย่างมากพระพุทธเจ้าก็ทดแทนแก่พุทธมารดาก่อนเลยหลังจากที่ทรงตัดสโุแล้ว ก็อยากจะตอบแทนบุญคุณให้แก่พุทธมารดาก็ท่งค้นหาจนได้พบในสวรรค์แล้วก็ได้ใช้เวลาหนึ่งพันษาแสดงทมขั้นต่างๆให้แก่พุทธมารดาแสดงตั้งแต่ทมขั้นต่งคือการทำทานการรักษาศีลห้าการภาวนาการถือในคขมมะการ ภาวนาการเจริญปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นอริยสัจสี่จนในที่สุดพุทธมารดาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วพุทธมารดาก็สามารถที่จะปฏิบัติด้วยตนเองต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องมีครูมีอาจารย์มาบอกทางเพราะผู้ที่ เป็นโสดาบันนี้เป็นผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพนันธิพาลกระแสที่จะพาให้ดวงจิตของผู้นั้นเข้าสู่พนันธิเข้าไปถึงพนันธิพาลได้โดยที่ไม่ต้องมีครูมีอาจารย์มาคอยบอกทางแต่ถ้ามีก็จะช่วยลดระยะเวลาของการปฏิบัติให้สั้นลงเพราะการปฏิบัติตามลำพัง ก็อาจจะไปติดตรงนั้นบ้างติดตรงนี้บ้างแต่ก็จะไม่สุดวิสัยของผู้ที่เป็นพระโสดาบันจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่ไปติดได้แต่ถ้ามีครูมีอาจารย์ถ้าได้เล่าได้บอกได้ถามก็อาจจะได้รับการแก้ไขให้อย่างรวดเร็วทันใจกว่าที่จะต้องมาคอย แก้ปัญหาด้วยตนเองแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วพระโสดาบันจะปฏิบัติขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ได้ด้วยตนเองแต่ถ้าเป็นปุถุชนนี้ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนนี่จะไม่มีวันที่จะเข้าสู่ขั้นของพระอริยบุคคลได้ต้องให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถึงจะสามารถ ยกระดับจิตจากกุทุชนให้เข้าสู่ระดับของพระอริยบุคคลได้ก็เท่ากับพอได้สอนให้พุทธมารดาได้เป็นพระโสดาบันก็เท่ากับได้สอนให้พุทธมารดาได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ตามลาดับต่อไปได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บตาย อย่างต่อเนื่องอย่างโชคชนเหมือนอย่างที่เคยเป็นอยู่นี่คือการทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าต่อพุทธมารดาส่วนพระพุทธบิดาพระองค์ก็ส่งทดแทนในช่วงระยะเวลาสุดท้ายของพระราชบิดาตอนที่พระราชบิดานี่ใกล้จะเสด็จสวรรคต ก็ทรงไปแสดงธรรมไปสอนให้ปฏิบัติทางจิตใจจนได้บรรลุปเป็นพระาอารหันต์เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตนี่นี่คือความกตัญญูกะตะเวทีของพระพุทธเจ้าที่มีต่อบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าไม่เคยลืมความสำคัญของบิดามารดาถึงแม้จะได้ บรรลุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางจิตวิญญาณแต่ก็ไม่เคยลืมความสำคัญไม่ลืมพระคุณของบิดามารดาชาวพุทธเราก็เลยถือเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้านี้มาดำเนินกันมาคอยเลี้ยงดูบิดามารดา มาคอยรับใช้บิดามารดาทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดาด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่มีวิธีไหนที่ดีเท่ากับการที่จะทำให้บิดามารดานี้พ้นจากอบายได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาจะทำได้ก็ต้องหาอุบายดึงบิดามารดา ให้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้วิธีที่ที่ง่ายที่สุดก็คือไปบวชกันลูกๆไปบวชอยู่ที่วัดกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายก็บวชได้เหมือนกันเป็นผู้ชายก็บวชเป็นพระเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นชีก็ได้พอลูกไปบวชแล้วพ่อแม่ก็ต้องไปเยี่ยมลูกไปหาลูกต้องไปวัดะ เมื่อไปวัดก็จะได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมถ้าฉวยโอกาสอันวิเศษนี้เพราะปะกติแล้วถ้าลูกไม่ได้บวชก็จะมัวยุ่งกับภารกิจการทรมาหากินหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย จนไม่มีเวลาที่จะคิดที่จะเข้าวัดเลยแต่พอลูกไปบวชเท่านั้นนะ่ะความคิดที่จะไปวัดนี้ไม่รู้มาจากไหนมันมามันคอยเตือนคอยบอกอยู่เรื่อยๆว่าวันนี้วันพระแล้วนะวันนี้วันที่เราว่างแทนที่จะไปเที่ยวกันไปทาอะไรกันต้องไปเยี่ยมลูกแล้วตอนนี้ลูกบวชเป็นพระบวชเป็นชีกัน อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ลูกทำให้กับพ่อแม่ได้ไม่มีใครทำได้ถ้าคนอื่นบวชพ่อแม่ก็ไม่สนใจหรอกถ้าลูกของเพื่อนบวชเขาอาจจะมาวันที่วันบวชวันเดียวเท่านั้นเองหลังจากนั้นแล้วก็ก็ไม่ได้มากันอีกแต่ถ้าเป็นลูกบวชนี่วันบวชก็มาพอหลังวันบวชก็มาเนี่ยเมื่อวันสองวันก่อนนี่วันบวชพระพ่อแม่มากัน พอวันลุงเคล้นก็มาอีกถามว่าทําไมมาบ่อยแล้วกันก็บอกว่าอยากจะมาทําบุญนะทีนี้แต่เมื่อก่อนนั้นลูกไม่บวชไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเจอกันเลยแล้วพ่อแม่บางคนนี้หลังจากที่ลูกศึกไปแล้วพ่อแม่ก็ยังมาเป็นประจําอีกต่อนึงมีความรักที่จะบะที่จะปฏิบัติทําให้สูงขึ้นไปเคยทํางานก็ลด ภารกิจการงานให้น้อยลงเพื่อที่จะได้มีเวลาเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมให้เข้มข้นให้มีมากขึ้นไปตามลำดับนี่คือประโยชน์ของการมีลูกที่มาบวชในพระพุทธศาสนาจะเป็นเหมือนแม่เหล็กที่จะดึงดูดจิตใจของพ่อแม่ให้เข้าสู่ศาสนา ให้เข้าสู่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐที่ไม่รู้ว่าประเสริฐเพราะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษากันมาวัดก็มาไม่ถึงวัดกันส่วนใหญ่มาวัดก็มาแค่มาที่โบสถ์มากราบพระพุทธรูปมาจุดธูปเทียนมาบริจาคเงินทองเข้าสู่ตู้บริจาคแล้วก็อธิษฐานจิตขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซึ่งไม่ใช่เป็นกระบวนการของการที่จะได้รับสิ่งต่างๆจากพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธนี้ไม่ได้สอนให้ขอสอนให้ทาอยากได้อะไรต้องทำเหตุที่จะทำให้สิ่งที่อยากได้ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมานี้เกิดด้วยเหตุคือการกระทำของเราถ้าเรา มีการกระทําผลที่เกิดจากการกระทําของเราก็จะปรากฏขึ้นมาเช่นอยากจะเรียนจบปริญญาก็ต้องหมั่นไปโรงเรียนหมั่นไปศึกษาหมั่นไปทำการบ้านหมั่นดูหนังสือถ้ามีการขยันหมั่นเพียรในการศึกษาในการล่ำเรียนไม่นานก็จะเรียนจบได้รับปริญญา แต่ถ้าไปจุดธูปเทียนเน้วขอจากพระพุทธรูปในโบสถ์แต่ไม่ไปโรงเรียนไม่ไปทําการบ้านไม่ไปเข้าห้องเรียนอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะเรียนจบได้พระพุทธศาสนานี้เป็นเพียงผู้สอนผู้บอกให้เรารู้เหตุของผลต่างๆที่เราต้องการว่าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร แต่พระพุทธศาสนานี้เอาผลมาให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้สร้างเหตุขึ้นมาเมื่อมีเหตุแล้วผลมันก็จะตามมาเช่นถ้าเราอยากจะกินกล้วยสมัยก่อนไม่มีร้านขายกล้วยเป็นชาวนาชาวไร่อยากจะกินกล้วยก็ต้องปลูกกล้วยกันพอปลูกกล้วยไม่นานเดี๋ยวต้นไม้ต้นกล้วยก็จเจริญงอกงามแล้วก็จะออก ผลกล้วยออกมานะนี่แหละคือเรื่องของเหตุของผลไม่ว่าจะเป็นทางธรรมหรือทางโลกนี่ต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียรมีการพยายามสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดผลต่างๆที่เราปรารถนากันทางโลกก็ต้องขยันหมั่นเพียรทำมาหากินหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองไว ต่อไปก็จะร่ำจรวยขึ้นมาได้ถ้าอยากจะมีวิชาความรูม้มีปริญญาก็ต้องขยันเรียนหนังสือไปโรงเรียนอ่านหนังสือทำการบ้านเดี๋ยวไม่นานก็ไปสอบได้สอบได้ก็จะได้รับปริญญาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทำของเราไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้อื่น การกระทำของผู้อื่นนี่ก็จะอาจจะให้บางสิ่งบางอย่างกับเราได้เช่นข้าวของเงินทองที่บิดามารดาอาจจะทิ้งไว้ให้พวกเราหลังจากที่ท่านตายไปแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จักหาไม่รู้จักรักษาต่อให้ทิ้งเงินทองไว้มากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็เร็วเงินทองที่ทิ้งไว้ให้ก็จะหมดไปแต่ถ้ารู้จักหารู้จักรักษา พ่อแม่ไม่ทิ้งเงินทองไว้ให้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะสามารถหาได้ด้วยตนเองหามาได้แล้วก็จะรู้จักรักษาเก็บเอาไว้ให้อยู่กับตนไปนานๆนี่คือคำสอนของศาสนาพุทธสอนให้ตนเป็นที่พึ่งของตนอัตาหิอัตนาโนาโถอยากจะได้อะไร สร้างขึ้นมาด้วยกำลังของตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรทางโลกก็เนี่ยให้ขยันทํางานทําการหาเงินหาทองแล้วก็เก็บเงินเก็บทองใช้จ่ายด้วยความประหยัดมัธยั ต, ยตรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใช้ไม่นานก็จะเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้ทางธรรมก็เหมือนกันทางธรรมถ้าอยากจะ พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจากระดับที่เป็นอยู่ในขณะนี้คือระดับของปุถุชนระดับของมนุษย์เราก็สามารถที่จะขยับระดับของจิตใจของเราให้ขึ้นสูงได้ระดับปุถุชนนี้ก็มีหลายระดับระดับมนุษย์นี้เรียกว่าเป็นระดับกลางๆไม่สูงไม่ต่ำถ้าระดับต่ำก็เรียกว่าระดับอบาย อบายนี้การที่จะทำให้ไปอบายก็คือการทำบาปเนี่ยถ้าไม่ทำบาปก็จะปิดประตูอบายได้จิตใจก็จะไม่ต่ำกว่ามนุษย์ตอนนี้เป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทำบาปเนี่ยตายไปกลับมาเกิดก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อแต่ถ้าอยากจะยกระดับจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดา ก็ต้องมีการทําบุญเพิ่มเอนอกจากรักษาศีลห้าแล้วก็ต้องทําบุญทําทานอยู่ตามกําลังมีข้าวของเงินทองแทนที่จะเอาไปซื้อของที่ไม่จําเป็นหรือเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เอาไปทําบุญทําทานแทนก็จะยกระดับใจจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาได้นะ ถ้าเอาเงินไปเที่ยวเอาไปกินไปดื่มเอาไปดูเอาไปฟังไปดูหนังดูละครไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อเงินทองที่ใช้ไปเหล่านี้ไม่สามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงได้ก็ยังต้องเป็นมนุษย์เหมือนเดิมอยู่แต่ถ้าอยากจะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ก็แทนที่จะเอาเงินทองที่ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเอาไปทำบุญทำทานแทนพอได้ทำบุญทำทานแล้วบุญนี่แหละจะเป็นแม่แรงที่จะยกจิตใจให้สูงขึ้นเหมือนแม่แรงของรถยนต์เวลายางตกนี่จะยกล้อให้ลอยขึ้นได้ ถ้าเราใช้กำลังของเรายกรถขึ้นมาเราไม่มีกำลังพอที่จะยกให้ล้อลอยขึ้นมาได้เราต้องอาศัยแม่แรงฉันใดเราไม่สามารถใช้ความอยากของเรายกจิตของเราให้ขึ้นสูงกันขึ้นไปได้ พวกเราทุกคนนี้เวลาตายนี้อยากจะไปสุขติกันทั้งนั้นไม่ใช่เลยอยากจะไปสู่ที่ชอบที่ชอบสุขติก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเองแต่มันไม่ได้ไปด้วยความอยากของเราถ้าอยากจะให้ใจของเราไปสวรรค์ไปสู่สุขติเราต้องหมั่นทําบุญทําทานแล้วก็รักษาศีลให้ครบบริบูรณ์ให้เป็นนิจศีลให้เป็นปกติ ให้เป็นศีลปกติถ้าเราทำสองข้อนี้ได้รักษาสีนหน้าได้ทำบุญทำทานทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเราก็เปลี่ยนเอามาเป็นการทำบุญทาทานเราก็จะมีแม่แรงคือมีบุญที่จะยกจิตของเราให้ขึ้นสู่ระดับของเทวดาได้แล้วระดับของเทวดานี้ก็มีต้องหกชั้นด้วยกัน มีความสุขมีความละเอียดมากน้อยต่างกันถ้าทำบุญมากก็จะขึ้นสู่ชั้นที่สูงขึ้นไปมากถ้าทำบุญน้อยก็จะอยู่ชั้นต่ำมีอยู่หกชั้นด้วยกันทำไมจึงต้องมีหกชั้นเพราะการทำบุญของแต่ละคนนี้มีมากน้อยไม่เท่ากัน บางคนก็ยังขอแบ่งห้าสิบห้าสิบขอแบ่งไปซื้อกระเป๋าสักใบหนึ่งขอไปเที่ยวสักที่หนึ่งก็เลยได้บุญน้อยได้ไปเที่ยวได้ความสุขชั่วคราวจากการไปเที่ยวจากการซื้อกระเป๋าบางคนเขายอมเสียยอมสละหมดเลยกระเป๋าก็ไม่เอาไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวอเอาบุญดีกว่า อ, อย่างนี้ก็จะได้บุญมากกว่า เมื่อได้บุญมากกว่าก็จะได้สวรรค์ที่สูงกว่าที่มีความสุขมากกว่านั้นเอง น, น, นี่คือสิ่งที่พุทธศาสนาสอนให้ชาวพุทธเราทำกันที่ชาวพุทธเราจะมักจะถือโอกาสในช่วงเข้าพรรานี้เป็นช่วงเวลาที่จะมาเสริมบุญมาสร้างบุญกันบางท่านไม่เคยรักษาศีลห้าเป็น เป็นประจำก็จะมาตั้งใจรักษาศีลห้าตลอดระยะเวลาสามเดือนมีศรัทธายาโยมคนหนึ่งใส่บาตรนี้ทุกพรรษาเขาจะถือศีลข้อห้าคือละเว้นจากการดื่มสุราปกติเขาจะดื่มโุราแต่พอเข้าพรรษานี้เขาจะมาละเว้นจากการดื่มโุรา แล้วถ้าเขาละเว้นการดื่นสุราได้เขาก็จะสามารถรักษาศีลข้ออื่นๆได้ง่ายขึ้นถ้าเขาตั้งใจจะรักษาอันนี้ก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะสมาทานเขาจะมีความตั้งใจจะทำบุญมากน้อยเพียงไรนั่นเองถ้าทำเพียงรักษาศีลหนึ่งข้ออีกสี่ข้อยังไม่รักษาโอกาสที่จะไปอบายยังมีอีกต้อง8ปดสิเอร์เซนต พราะรักษาศีลได้เพียง20เปอร์เซนถ้าอยากจะลดโอกาสที่จะไปเกิดในอบายให้น้อยลงก็ต้องรักษาศีลให้มากขึ้นถ้ารักษาศีลได้ครบเต็มร้อยก็จะปิดช่องปิดช่องโหว่ที่จะพาให้ดวงวิญญาณไปเกิดในอบายหลังท่านก็จะมาสมาทานถือศีลห้าตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษา บางท่านนอกจากถือศีลห้าแล้วอยากจะยกระดับจิตใจให้เป็นเทวดาก็จะตั้งใจใส่บาต ท, ทุกวันในตลอดระยะเวลาเข้าพรรษาไม่ใส่บาตก็ทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แทนกันได้เช่นถ้าเราไปอยู่ที่ไม่มีพระเดินผ่านที่เราจะใส่บาตได้เราก็เอาเงินที่เราจะซื้ออาหารใส่บาตนี้ใส่กระปุกเอาไว้ก็ได้สมัยนี้ก็มีทาบาตรเทียมให้เรา เป็นเหมือนกระปุกออมสินมีเป็นเหมือนรูปบาทแล้วก็มีฝาที่บนฝาบาทก็มีรูให้เราหยอดเงินได้ถ้าเราอยากจะทำบุญใส่บาทเราถ้าไม่มีพระผ่านมาทางที่บ้านเราก็เอาเงินที่จะซื้ออาหารใส่บาทนี้ใส่เข้าไปในบาทในกระปุกบาทนี้แล้วพอวันไหนที่เรา มีเวลาเข้าวัดเราก็เอาเงินที่ใสในบาทนั้นเข้าไปถวายวัดก็ได้ก็เท่ากับได้เราได้ทำบุญทุกวันการทำบุญทุกวันนี้มันมีประโยชน์เพราะมันจะทำให้เป็นนิสัยและจะทำให้ทำง่ายเพราะการทำทุกวันเราก็ไม่ต้องทำมากแต่มันจะสะสมให้มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรารอเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งทาบุญสักครั้งหนึ่ง ถ้าเราอยากจะทำบุญเท่ากับเราทำบุญทุกวันนี้เราจะต้องใช้เงินมากแล้วเราก็จะเกิดความเสียดายขึ้นมาแต่ถ้าเราทำบุญวันละไดวันะน้อยไปนี่เราจะไม่ค่อยเสียดายเช่นถ้าเราทำบุญวันละสิบบาทนี่เดือนหนึ่งก็สามร้อยปีหนึ่งก็สามพันหกถ้าเรามาทำบุญครั้งลนะปีละหนึ่งครั้งพอต้องฟักกระเป๋าสามพันหกนี่มันรู้สึกว่ามาก แต่ถ้าเราทำวันละสิบบาทสิ บ, บาทนี้มันรู้สึกว่ามันไม่มากทำได้ง่ายแต่ผลบุญเท่ากันคือสิ้นปีก็ได้ทำบุญสามพันหกร้อยบาทเหมือนกันแต่คนที่ทำปีละครั้งนี้อาจจะชักเข้าชักออกพอจากใจหนึ่งก็อยากจะทำพอแต่สร้างจ่ายเงินจริงๆก็มักเกิดความเสียดายขึ้นมาก็ได้ ก็อาจจะไม่ได้ทำเท่าที่อยากจะทำเอี่ังนั้นทางที่ดีทาแบบเก็บเล็กผสมน้อยดีกว่าทำมันทุกวันไปทำมันวันละเล็กวันละน้อยแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปแล้วมันทาง่ายแล้วพอมันทาแล้ววันไหนไม่ทํามันจะรู้สึกขาดอะไรไปมันจะมาเตือนว่าเอ้ะวันนี้ขาดอะไรไปอ๋อวันนี้ไม่ได้ทำบุญเออก็เลยอ้าวฟักเงินใส่เข้าไปในกระปุกหรือบางคนที่ใส่บาท วันไหนถ้าตื่นสายมาไม่ทันพระในบางทีก็ต้องขับรถมาวัดเพื่อมาทำบุญมาใส่บาตรพระเพราะมันเวลาทําแล้วมันเกิดความสุขขึ้นมาในใจเนี่ยความสุขนี่แหละคือสวรรค์ชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆที่เราสะสมกันต่อไปมันก็จะเป็นสวรรค์ชิ้นใหญ่ขึ้นมาทุกครั้งที่เราทำบุญนี้เราจะมีความรู้สึกใจเรากำลังสร้างสวรรค์ชิ้นเล็กๆขึ้นมาภายในใจของเรา ถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องต่อไปเราก็จะมีสวรรค์ชิ้นใหญ่ๆอยู่ในใจของเราพอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปดวงจิตดวงใจก็ของเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยสวรรค์อยู่ภายในใจนั่นเองนี่แหละคือวิธีขึ้นสวรรค์ของชาวพุทธเราขึ้นด้วยการรักษาศีหน้าขึ้นด้วยการทําบุญทําทานอย่างสม่ำเสมอ เอาเงินเอาเงินทองที่เราจะไปใช้กับกิเลสตัณหานี้เอามาใช้กับการทําบุญทําทานจะเป็นประโยชน์เอาไปใช้กับกิเลสตัณหากับเป็นโทษกับจิตใจเพราะมันจะทําให้ติดอยากจะใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอเวลาไม่มีเงินใช้ก็จะเดือดร้อนได้ <Yeah. S 1> ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวไม่ได้ให้ความอิ่มความพอกลับให้ความหิวความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆน อันนี้เป็นวิธีที่เราจะมากระทํากันในช่วงเข้าพรรษาบางท่านไม่เคยใส่บาตเป็นประจำก็อาจจะตั้งจิตอธิษฐานในวันเข้าพรรษาว่าพรรษานี้จะขอใส่บาต ท, ทุกวันบางท่านไม่เคยตั้งใจที่จะรักษาศีหน้าอย่างจริงจังก็จะมาตั้งจิตอธิษฐานในวันเข้าพรรษาว่าพรรษานี้จะ รักษาสีหน้าให้บริสุทธิ์ทุกวันอันนี้ถ้ามีความตั้งใจแล้วมันก็จะมีการกระทําตามมาเพราะความตั้งใจนี้เป็นเหมือนหางเสือหรือเป็นเหมือนพวงมลาลัยของรถยนต์รถยนต์ถ้าไม่มีพวงมลาลัยให้มันวิ่งไปตามถนนเดี๋ยวมันก็กิ้งออกนอกถนนได้แต่ถ้ามีพวงมลาลัยมันก็จะคอยบังคับให้วิ่งอยู่ในถนน ใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีความตั้งใจจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ทำมันอาจจะทำไปตามอารมณ์วันไหนอยากจะรักษาศีลก็รักษาวันไหนไม่อยากจะรักษามันก็จะไม่รักษา แต่ถ้าเรามีความตั้งใจว่าจะรักษาศีลถึงแม้ว่าบางวันจะไม่อยากจะรักษาบางวันอยากจะไปกินเหล้ามีวันเกิดของเพื่อนเพื่อนก็ามาชวนไปงานเลี้ยงวันเกิดไปเลี้ยงฉลองกันหน่อยอ่ถ้าเราตั้งใจรักษาศีลห้าไว้เราก็ต้องปฏิเสธเพื่อนเขาไปว่าปีนี้ไปไม่ได้ตอนนี้กำลังรักษาศีลห้าอยู่ไม่อยากไปไปแล้วเดี๋ยวอดไม่ได้ เดี๋ยวเห็นเพื่อนเดิมกันแล้วใจเรายังไม่เข้มแข็งพอก็หรือถูกเพื่อนขยันกยอเดี๋ยวก็สินแตกสินขาดได้แต่ถ้าเรามีความตั้งใจเราก็จะมีะขบวนการในการที่จะคอยรักษาให้เรากระทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะกระทำได้ ถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็อารมณ์ของเรามันก็โลเลยบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีวันดีก็อยากจะทำบุญทาทานรักษาศีลวันที่ไม่ดีก็จะไม่อยากจะทำขึ้นมาได้แต่ถ้ามีความตั้งใจแล้วก็จะต้องทำไม่ว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรการสมาทานนี้ก็คือการตั้งใจนั่นเอง ในพรรษาถึงมีมีการสมาทานการกระทำต่างๆสําหรับพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็บังคับให้สมาทานอยู่จําพรรษาในวันนี้พระภิกษุทุกรูปในประเทศไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนวันนี้จะต้องเข้าประชุมร่วมกันแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะอยู่ในวัดนี้ตลอดระยะเวลาสามเดือนจะไม่ไปที่ไหนไปข้างแหลมที่ไหน ถ้าไปก็ต้องมีเหตุฉุกเฉินที่ได้รับการอนุญาตไว้ก่อนจากพระพุทธเจ้าเช่นเวลาบิดามันดาคูบาจาร์อุปชาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปช่วยดูแลรักษาท่านก็ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดคืนหรือ ว, ว่ากุเิชำลุดสาลาชำลุดต้องไปหาวัสดุมาซ่อมแซมก็ไปได้ หรือถ้ามีข่าวว่าเพื่อนสาทรมิกจะมีความกระสัอยากจะลาสิกขาถ้าเราสามารถไปพูดกเกาะเกลี้ยกล่อมไม่ให้ลาสิกขาได้ก็ไปได้หรือถ้ามีศรัทธาญาติโยมจะจัดการบุญงานกุศลงานวันเกิดงานอะไรแก่นิมนต์ให้ไปงานนั้นก็รับกิจนิมนต์ได้ถ้าต้องไปค้างแรงก็ไปได้แต่ไม่ให้เกินไปเกินเจ็ดวันเจ็ดคืนต้องกลับมาอยู่ จำพรรษาที่เดิมอันนี้เป็นสิ่งที่พระทุกรูปในในพระพุทธศาสนานี้จะมีการกระทา ม, มีการตั้งจิตอธิษฐานกันในวันนี้ในคืนนี้ตอนทำวัดเสร็จก็จะมีการอธิษฐานภรรษากันอิมาซมิงอาวาเซอีมังเตมาสร้างวัดสร้างอุปมาจะอยู่จำพรรษาในอาวานี้ตลอดระยะเวลาสามเดือน หนึ 1> 1, ่งพันษาคือสามเดือนตั้งแต่วันแพ่นเดือนส1เอ็ดถึงวันวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอดถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบสองไม่ใช่เดือนสิบอ็ดแปดรู้สึกใช่ไหมจำไม่ได้แล้วแปดเก้าสิบสิบ็ดหรือสิบอ็ดมึง 11, จำไม่อาวสิบเอดช่สิบเอดพราะสิบนี้เป็นช่วงกรถินหนึ่งเดือนหลังจากที่ออกพรรษาเป็นช่วงกรถินเดือนสิบสองนี่จะเป็นเดือนทํําทาบุญทอดกรถินกันสามเดือนก็แลมหนึ่งค่ำวันนี้แลมหนึ่งค่ำเดือนแปดจะไปออกพรรษาก็แลมหนึ่งค่ำเดือนเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเป็นวันตักบาตรเทโววันที่ออกจากพรรษามา แต่ทางวัดยานี้วันตักบาตรเทวานี้จะเร็วกว่าปกติหนึ่งวันธรรมดาจะต้องตักวันออกพรรษาคือวันแลนแลนหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดแต่วัดยานจะตักวันเพ็ญสิบห้าวันเพ็ญวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดทำก่อนหนึ่งวันทําไมถึงต้องทําก่อนหนึ่งวันก็เพราะว่าวัดยานี้เป็นวัดที่มาตั้ง ใ น, ในถิ่นที่มีวัดอยู่แล้วหมู่บ้านแถวนี้ทุกหมู่บ้านจะมีวัดของตนเองแต่เนื่องจากชาวบ้านก็มีศรัทธาที่จะมาทำบุญที่วัดยานถ้าจัดการตักบาตรเทโวที่ตรงกันในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอญาติโยมก็จะไม่สามารถไปตักได้ทั้งสองวัดเพราะว่าจะต้องตักกับวัดที่บ้านก่อน ตามมาวัดญาณก็จะไม่ได้ตักที่วัดที่บ้านก็เลยมาขอร้องให้วัดญาณจัดต่างต่างวันกันก็เลยจัดวันเพ็ญวันวันขึ้นเป็นวันพระวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเพื่อที่ญาติโยมจะได้ใส่บาตรเทโวสองวัดใส่ที่วัดบ้านในวันแรมหนึ่งค่ใส่ที่วัดญาณในวันขึ้นสิบห้าค่ำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เกี่ยวเนื่องกันมาก็เลยขอาการเล่าให้ฟังไว้เพราะบางคนจะมาใส่บาตรเทโวในวันแรมหนึ่งคำ่ำก็จะผิดหวังเพราะว่าจะไม่มีการตักบาตรเทโวในวันนั้นถ้าอยากจะตักบาตรเทโวของวัดยาดนี้ขอให้จําไว้ว่าเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำไม่ใช่เป็นวันแรมหนึ่งคำ่ำของทุกปีเคยจัดตรงกันแล้วก็มีคนมาบ่นว่า จัดตรงกันก็ไปทั้งสองวัดไม่ได้ก็เลยมาบอกว่าให้จัดสองวันดีกว่าให้จัดต่างกันจะได้ไปทําบุญได้ทั้งสองวันได้ตักบาตรเทวเพราะชาวบ้านเราถือการตักบาตรเทโวเป็นบุญที่สําคัญเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะพระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาได้รักษาศีลบริสุทธิ์ ได้ศึกษาทมได้ปฏิบัติทมชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นผู้ที่สมควรต่อการรับบุญเป็นเนื้อนาบุญของศรัท ธ, ธาญาติโยมจึงอยากจะทำบุญในวันตักบาตรเทวูกันแต่ผู้ตามหลักความเป็นจริงแล้วทำบุญวันไหนก็เท่ากัน อยากจะได้มากได้น้อยอยู่ที่ปริมาณมากกว่าไม่ได้อยู่ที่ผู้รับเนี่อยู่ที่ผู้ให้อยู่ที่การเสียสละของผู้ให้ถ้าให้มากก็จะได้บุญมากถ้าให้น้อยก็จะได้บุญน้อยเนี่นี่คือเรื่องราวของวันเข้าพรรษาและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทำไมถึงมีการบวชกันทำไมถึงมีการมาถือศีลจำศีลกันเป็นกรณีพิเศษก็เพราะว่า มีความตั้งใจที่จะใช้เวลาที่พระอยู่จำมันษานี้มาปฏิบัติตามแบบฉบับของพระพ่อแม่บางทีลูกมาบวชก็อาจจะถือโอกาสมาอยู่วัดในวันพระด้วยจะได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกธรรมดาไม่เคยอยู่วัดไม่เคยเข้าวัดแต่พอลูกมาอยู่วัดก็อยากจะมาอยู่วัดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประโยชน์ เป็นการทดแทนบุญคุณของลูกต่อบิดามารดาเป็นความกตัญญูกตวเวทีที่น่ายกย่องน่าสรรเสริญ น, น่าปฏิบัติสามกันก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนําเอาเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับวันเข้าพรรษานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาเข้าไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริภูเรนติสาขลังเอวเมวะอโตตินังเปตานังอุปกบปติ อิชิตังปฏตถิตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจโตสัพเพปรเณตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติอาราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภาวะตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะ พิวาทานสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมะวาทานติอายุนโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e b ุ o k เข้ามาสามร้อยห้าูทู สา0รอยี่สิบวิทยุออนไลน์สามสิบเอ็ดรับฟังข้างบนนี้หนึ่งร้อยแปดสิบหกคนรวมทั้งหมดแปดร้อยสี่สิบสองครับวันนี้งานบางแห่งเขาไม่หยุดเนี่ยนะพวกธนาคารเขาทำงานกเนี่ยพวกที่ดูทางเฟซบุ๊กก็อะไรเยอะอราชาการหยุดไหมหยุดนะรัฐวิสาหกิจก็หยุดแต่เอ ก, กชนไม่หยุด เปิดให้หยุดก็ได้ไม่หยุดก็ได้นะโอเคตอนนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามต่างๆถ้าใครสงสัยอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้าอยากจะถามยกมือขึ้นเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไปให้อเดีบเดี๋ยวช่วยส่งไมโครโฟนไปให้หน่อย คนที่อยู่นั่งอยู่ที่หัวหมุมเนี่ยไม่เอาแล้วเลยไม่ถามแล้วเลยนี่เห็นทําท่าทําทางอย่าถามถ้าไม่งั้นก็เอาทางบ้านก่อนก็แล้วกันที่ส่งเข้ามาทางกระดาษคำถามจากข้างบนนี้นะครับ คู่แห่งบุรุษสีค่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8ดบุรุษหมายถึงอะไรครับก็พระอริยบุคคลนะก่อนที่จะเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องเป็นพระที่ศึกษาก่อนขั้นมักเรียกว่าขั้นศึกษาขั้นปฏิบัติพอศึกษาเสร็จปฏิบัติเสร็จก็บรรลุเป็นอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ตามลําดับ ก่อนที่จะได้ก่อนที่จะได้ผลคืออริยผลต้องผ่านอริยามาร ก, ก่อนผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เจริญปัญญาเพื่อปล่อยวางสังโยชนี่สังโยชน์สก็คือพระโสดาปฏิมาภพผู้ที่จะละบรรลุเป็นพระโสดาบรรได้จะต้องละสังโยชน์สมข้อแรกจะละสังโยชน์สามข้อได้ก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญา ต้องเจริญศีลให้บริสุทธิ์ต้องให้สมาธิตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิให้มีปัญญามองเห็นอนัตตาเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาในขันห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะละสังโยชน์คือสักกายทิฏฐิความหลงผิดที่ไปเห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราความจริงมันไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรา พอเป็นคิดว่าเป็นของเราเราก็ยึดติดพอยึดติดก็ทุกเวลามันจะไม่เป็นของเราแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราก็จะไม่ยึดไม่ติดเวลามันจะจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เสียใจเนี่อันนี้คือการเจริญมรรคด้วยปัญญามรรคของศีลสมาธิของพระระยะทุกระดับนี้เท่ากัน คือต้องมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิที่ตั้งมั่นเรียกว่าปานาสมาธิแต่ปัญญานี้จะไม่เท่ากันสมดาบันนี้มีปัญญาละสังโยชน์สามสกิทาคามีละสังโยชน์อีกสองให้เบาบางลงอานาคามีละสังโยชน์อีกสองนี้ให้หมดไปได้คือละห้าห้าสังโยชน์ถ้าขึ้นถึงขั้นอนาคามี ก่อนที่จะขึ้นแต่ละขั้นได้ต้องผ่านมรรคก่อนต้องใช้ปัญญาพิจารณาถึงจะปล่อยถึงจะละได้ละสังโยชน์ได้การพิจารณาเรียกว่าการเจริญมรรคบุคคลที่เจริญมรรคก็เป็นอริยบุคคลที่กําลังยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นแรกถ้าเป็นโสดาบันนี้ถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นโสดาบันอริยะมรรคของ ของโสดาบันนี้ยังเป็นปุตุชนอยู่ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่อริยผลคือพระโสดาบันก็ เ, นเรียกว่าเป็นหนึ่งกุ้โสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลสกิดาคามิมัคสกสกิดาคามิผลอานาคามิมัคอานาคามิผลอรหัตตมัคอรหัตผลนี ก็เป็นคนคนเดียวกันนะั่นแหละแต่เรียนระดับปริญญาต่างกันตอนต้นก็เรียนระดับปริญญาช่วงที่เรียนอยู่สี่ปีก็เรียกว่ากาลังเจริญมากพอจบก็รับปริญญาตีก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตีพระโสดาบันก็แบบเดียวกันพระสะกิดาคามีอนาคามีพระอาหารหันต์ก็คนคนเดียวกันนี่แหละที่จะก้าวขึ้นสู่ธรรมระดับต่างๆตามลาดับต่อไป ท่านแยกแยกเป็นขั้นขั้นก็เลยเป็นสี่ขั้นแต่หนึ่งแต่ละขั้นก็มีสองบุคคลบุคคลที่เจริญมากกับบุคคลที่บรรลุถึงผลก็เลยเป็นสองเป็นคู่เป็นสี่คู่ด้วยกันคำถามต่อไปจากข้างบนนี้นะครับมีสองคำถามคำถามแรกถ้ายังรู้สึกผิดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเกรงว่าจิตสุดท้ายจะมีเรื่องนี้เข้ามาในเวลานั้น ควรทำเช่นไร ค, ครับ ก็มันฝึกสติก่อนถ้ายังไม่สามารถใช้ปัญญาปัญญากำจัดเรื่องราวต่างๆได้ก็ใช้สติหยุดมันก่อนให้หัดท่องพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆเวลามีความรู้สึกผิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธหยุดมันพุทโธพุทโธไปพอเราอยู่กับพุทโธเราก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกผิดขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถอยู่ในระดับปัญญาได้ใช้ปัญญาได้เราก็ใช้ปัญญามาวิเคราะห์ว่าวมันผิด อะไรมันถูกเพราะอะไรด้วยเหตุด้วยผลพอเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็จะหายหายกังวลใจกับเรื่องผิดต่างๆเราก็จะทำให้มันถูกได้คำถามที่สองเป็นคนที่อารมณ์หงุดหงิดและโกรธเร็วมากถ้าใครทำให้ไม่ถูกใจแต่พอรู้ตัวก็จะไปขอโทษทุกครั้ง ทำอย่างไรจึงจะรู้ตัวไม่โกรธและพูดจาไม่ดีครับก็เพราะว่าสติมีกําลังน้อยไม่สามารถควบคุมความโลภโมโทสารของตนได้พอเห็นอะไรปุ๊บก็มีปฏิกิริยาทันทีเลยไม่โลภก็โกรธนะไม่โลภไม่โกรธก็หลงขึ้นมาทันทียังนั้นต้องมาพยายามสร้างสติให้มากขึ้นเพราะสตินี้จะคอยเหนี่ยวล้างจิตใจไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลง แต่ไม่ได้กำจัดถ้าอยากจะกำจัดความโลภ ก, กดหลงนี่ต้องไปอีกระดับหนึ่งคือระดับปัญญาแต่ก่อนจะขึ้นสู่ระดับปัญญาได้ต้องมีสติเป็นผู้ส่งขึ้นไปงั้นเบื้องต้นนี่มาฝึกสติก่อนมาฝึกพุทโธพุทโธแล้วจิตจะมีอะไรมาคอยยับยั้งอารมณ์ได้พอรู้สึกก็โลภปั๊บมันก็ถ้ามีสติก็หยุดมันได้ พอรู้สึกโกรธขึ้นมาก็หยับหยิบมันหยุดมันได้ก่อนที่จะระบายออกมาทางกายทางวาจาพอรู้สึกโกรธจะพูดอะไรไม่ดีถ้ามีสติก็หยุดมันได้แต่ถ้าไม่มีสติมันก็จะพุ่งออกมาเลยพออยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วก็มาเสียใจในภายหลังแล้วก็ต้องมาขอโทษขอโพยในภายหลัง ขอโทษครั้งสองครั้งก็โอเคแต่ขอบ่อยๆเขาก็จะลาคาญขึ้นมาขอทำไมวะขอแล้วก็ไม่เห็นแก้ไขดัดแปลงการขอโทษนี้ความจริงคือความพยายามที่จะไม่ทำซ้ำอีกที่มาขอโทษนี้เพื่อไปบอกว่าครั้งต่อไปไม่มีแล้วถึงมาขอโทษแต่ถ้าขอโทษแล้วเดี๋ยวก็มาขอโทษอีกไม่รู้จะขอโทษไปทาอะไรการขอโทษนี้เพื่อเป็นการ กำจัดการกระทำที่ไม่ดีด้วยการฝึกสติเพาต่อไปนี้เราต้องมีสติมันพุโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วจะมีสติพอมีอารมณ์เกิดขึ้นจะรู้ทันถ้าไม่มีสตินี่รู้ไม่ทันเหมือนคนคนไม่มีสติก็เหมือนคนเมาเหล้าคนคนครึ่งหลับครึ่งตื่นนี้จะไม่ค่อยจะมีสติรู้ทันอารมณ์ต่างๆแต่ถ้าคนตื่นหรือคนไม่เมาเนี้จะมีสติมากกว่า แต่คนตื่นก็ยังมีสติไม่พอบางคนมีสติน้อยก็จะสู้ความโลภโมโทสันไม่ได้พอเกิดอารมณ์ก็จะเกิดการระบายออกมาทันทีงั้นพยายามฝึกสร้างสติกันด้วยหมันบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับเรื่องที่ต้องคิดก็อย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยให้มาคิดพุทโธพุทโธดีกว่า แล้วต่อไปเราจะควบคุมอารมณ์ของเราได้ควบคุมการพูดการกระทำของเราได้คำถามต่อไปจากข้างบนนี้นะครับการที่คนเรารู้สึกผูกพันกับคนคนหนึ่งจนรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยและบางครั้งทำให้จิตใจเรารู้สึกเป็นห่วงกังวลตัวเองก็เป็นทุกข์ถือว่าในอดีตเคยทำบุญหรือสร้างกรรมร่วมกันไว้ไหมครับและเราจะมีวิธีตัด จังวนได้อย่างไรเพื่อไม่ให้จิตใจเราเป็นทุกข์ครับก็มันสาเหตุที่ท yeah ําให้เรามีความผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันก็มีหลายสาเหตุรูปลักษณะที่เห็นแล้วเราชอบเราก็ผูกพันได้หรือเสียงพูดของเขาฟังแล้วไพเราะติดใจก็ติดได้เพราะรูปหรือติดได้เพราะเสียง หรือติดด้วยพระคุณก็ได้เขาเป็นคนมีพระคุณกับเราทำคุณทำประโยชน์อะไรให้กับเราต่างๆมากมายเราก็รักเขาชอบเขาได้เะฉนั้นการติดคนต่างๆนี่มันมันติดเพราะคุณสมบัติของเขาที่ถูกใจเราหรือไม่ถ้าถูกใจเราเราก็ติดเขาถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีความกังวลเราก็ต้อง หัดใช้ปัญญาสอนใจว่าเราอยู่ด้วยกันต่อไปก็ต้องจากกันเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าสอนให้เราหมั่นฝึกปัญญาด้วยการคิดว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ให้คิดบ่อยๆเตือนใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืม แล้วต่อไปเราจะได้เวลาที่จะไปยึดไปติดกับใครจะได้คิดได้ว่าอเดี๋ยวเราต้องจากกันแล้วนะถ้าไปยึดไปติดเดี๋ยวจากจากกันเราจะเสียใจก็ให้รักกันได้แต่อย่าไปยึดไปติดอยู่ร่วมกันก็ให้มีความเมตตาต่อกันแต่ต้องพร้อมที่จะต้องจากกัน ไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายให้คิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วความวิตกกังวลหงยายอะไรต่างๆก็จะบรรเทาลงได้คำถามต่อไปจากข้างบนนี้ครับอุบายในการเจริญสติปัฏฐานสีมีอย่างไรบ้างครับและจะต้องเตรียมกายใจให้มีความพร้อมอย่างไรบ้างครับคือ หลักสูตรสติปัฏฐานสีนี้มันเป็นหลักสูตรให้บรรลุอริยมรรคอริยผลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถึงขั้นพระอรหันต์แล้วเริ่มต้นที่ขั้นสติในสติปัฏฐานสูตรนี้จะเริ่มสอนขั้นแรกก็ให้ฝึกสติเพื่อที่จะได้นั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เมื่อมีสติก็จะนั่งสมาธิทําใจให้สงบ เมื่อใจสงบแล้วก็จะมีกําลังที่จะไปทำงานกับปัญญาคือสนับสนุนปัญญาให้กําจัดสังโยชน์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ปัญญาก็ต้องพิจารณาแตสิ่งต่างๆว่าเป็นตายลักให้เห็นว่าเป็นอนิจจงทุกขังห้านัา ต, ตาให้เห็นว่าความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์สาเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ถ้ามีปัญญา ถ้ามีสมาธิถ้ามีสติก็จะสามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแต่เบื้องต้นนี้ต้องหาเวลาสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือเวลาผู้ที่จะปฏิบัติสติปัฏฐานสูตรอย่างจริงจังอย่างได้ผลต้องเป็นนักบวชถ้าเป็นคารวะผู้ครองเดือนนี้ยังไม่สามารถที่จะทําให้ได้ผลได้เพราะเป็นเหมือนนักกีฬา ถ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นจะไม่สามารถไปแข่งขันชิงรางวัลเหรียญต่างๆได้ต้องเป็นพวกมืออาชีพเช่นพวกตีกอล์ฟนี่เขาต้องเป็นมืออาชีพเขาถึงจะไปเข้าแข่งขันชิงถ้วยได้ถ้าเป็นมือสมัครเล่นไปเล่นเฉพาะวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นี้สู้เขาไม่ได้พวกมืออาชีพนี้เขาซ้อมทุกวันตีทุกวัน เหมือนกันผู้ที่ต้องการมรรคผลนิพพานจากการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ก็ต้องเป็นมืออาชีพนนี่พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าสอนให้กับพระไม่ได้สอนให้กับฆราวาสญาติโยมนะแต่ฆราวาสญาติโยมจะเอาไปใช้ก็ได้บางคนอาจจะมีมีโอกาสที่สามารถอยู่แบบนักบวชได้ถึงแม้ยังไม่ได้บวชแต่ก็มีเวลาแบบนักบวช ไม่ต้องไปทำงานหาเงินหาทองมีเงินเหลือกินเหลือใช้ก็เอาเวลาว่างนี้มาปฏิบัติธรรมแบบนักบวชก็ได้ก็สามารถใช้สติปัฏฐานสูตรนี้เป็นเป็นคู่มือในการปฏิบัติธรรมได้ก็ให้ฝึกสติในเบื้องต้นเพื่อให้นั่งสมาธิเพื่อให้จิตรวมเป็นสมาธิก่อน